สังเกตเห็นแต่พรนใหญ่กับหนุ่มกะเลียงแพนจรเคลื่อนไหวไปรอบๆบริเวณที่พักบางขณะก็หยุดนิ่งตะแคงหูบางขณะก็ซุดตัวลงนั่งโดยเฉพาะแง่ทายกิริยาอาการไม่ผิดอะไรกับหมาล่าเนื้อที่กําลังสูดกลิ่นประเดี๋ยวป้องหูประเดี๋ยวหมอบลงเอาหูแนบพื้นเสียงบ่าร้องแหวกอากาศมาแต่ไกลครั้งหนึ่งตามด้วยเสียงนกระวังไพรซึ่งดังมาจากฝั่งลาธารเบื้องล่างจากนั้น สัปสัมเนียงของป่า ก, ก็หยุดนิ่งลงราวกับนัดกันไว้แม้แต่ใบไม้เล็กๆก็ไม่กระดิกพลานใหญ่กับแง่ทายเข้าไปซุบซิบอะไรกันอยู่ครู่ก็เดินเข้ามาที่เชิฐากับดารินผู้นั่งกระชับไร่เฟื่อยู่ที่มุมโขดหินเตี้ยมันข้ามทานน้ำไปฝั่งโน้ตแล้วครับดารินขยับปากจะถามตามนิสัยของรอนแต่แล้วก็ระงับเสียอดประสาดใจไม่ได้ในข้อที่ว่า หลอนเองพยายามเงี่ยวหูจับฟังเสียงอยู่ซึ่งไม่ได้ยินอะไรเลยสักนิดแต่ระพินกับแง่ทายสามารถรู้การเคลื่อนไหวแต่ละฝีก้าของเจ้ามหิงสาตัวนั้นได้อย่างไรกับเพียงแค่ป้องหูฟังหรือเอาหูแนบกับพื้นแค่นั้นเองราวกับพ่อมุดหมอผีที่มีหูทิพตาทิพเช่นนั้นสำหรับเชษฐาไม่ติดใจกังขาใดๆทั้งสิ้น เพราะพอจะเข้าใจได้ดีมาก่อนเกี่ยวกับประสาทพิเศษของพรานผู้ชำนาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรานขนาดระพินและแง่ทรา ย, ายถ้าไม่มีเจตนาจะรอกลวงโกหกสีอย่างเดียวแล้วสิ่งที่ทั้งสองบอกย่อมเชื่อถือได้เสมอว่าไม่มีการผิดพลาดมันอาจเลิกล้มความตั้งใจที่จะบุกเข้ามาก็ได้เชีาพูดเบาๆพร้อมกับระบายลมหายใจยาวเมื่อคิดว่า สัตว์ป่าทุกชนิดและทุกป่าที่เขาเคยผ่านมาแล้วในชีวิตของนักนิยมภัยสมัครเล่นไม่อาจนำมาเทียบเคียงกับสัตว์ในดงแถบนี้ได้เลยแต่รัชนิดร้ายกาศมีอิทธิฤทธิ์ราวกับพูดพลายเข้าสิงสามารถจะตามจองล้างจองผลานเต็มไปด้วยความฉลาดเหลี่ยมคูและทำสงครามปั่นประสาท ฝ, ฝ่ายร่ามันให้ต้องโอดมานพุ่นวายไปหมดผิดไปจากธรรมชาติของดีรฉานทั่วไป นับตั้งแต่ไอ้กุดมาแล้วการตามล่ามันก็คือการขับเคี่ยวแบบสึกใหญ่นั่นเองเต็มไปด้วยความยากลําบากแทบเลือดตากระเด็นและตกอยู่ในฐานะเสี่ยงต่อชีวิตขีดสุดจนเรียกว่านอนตาหลับไม่ได้ถ้าเรายังตื่นพร้อมระวังกันอยู่อย่างนี้มันคงไม่กล้าหรอกครับคุณชายกับคุณหญิงนอนไวหรือเกินตื่นขึ้นได้ยังไงครับหรือว่านอนไม่หลับ ลาจะสะกุลหนุ่มบุยป่าไปทางน้องสาวผู้นั่งเอามือรองคางกัดเล็บอยู่ผมนหลับสนิทน้อยเป็นคนสะกิดปลุกตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่เห็นคุณกับแงซายกำลังฟังเสียงอะไรกันอยู่ก็เลยลุกขึ้นมาสิ่งที่เขาเข้าใจไว้ไม่ผิดเลยดารินนั่นเองการนอนกลางป่าในแบบที่เสียงภัยรอบด้านเช่นนี้คงทาให้หลอนไม่อาจหลับสนิทตรงได้เพราะความระแวง ซึ่งเป็นนิสัยตามคุณลักษณะของผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหวเฉียบวัยทั้งหลายพลานใหญ่เหลือบตาไปทางหม่อมราชวงหญิงคู่ปรับของเขาอย่างสมเพชคุณหญิงคงนอนไม่ค่อยหลับกระมังครับหล่อนฝืนยิ้มจืดจืดแววตาโรยแสดงอาการอ่อนเพลียไม่ตอบว่าอะไรและผพนจึงบอกเรียเปรียบต่อมาว่าพยายามนอนหลับพักผ่อนให้มากถึงครับนักเดินป่าที่ดีต้องหลับง่ายกินง่าย ทำไมงานก็ไม่มีแรงเดินสําหรับวันต่อไปโปรดอย่า ก, กังวลอะไรไปเลยคอยพะวงอยู่อย่างนี้ก็นอนไม่หลับแน่ถึงอย่างไรก็มีพวกเราคนใดคนหนึ่งนั่งอยู่ยามแล้วคุณคิดว่าฉันจะนอนหลับง่งา ย, ยางงั้นหรือคืนแรกที่แยกจากแคมป์ใหญ่มาไอ้ผีขโมดก็ลงโจมตีพวกเราเมื่อคืนนี้ไอ้ควายเจ้ากรรมนั่นก็มาเดินเลาะด้ําๆมมองมองอยู่รอบแคมป์ประสาทของฉันยังไม่เคยชินกับการเผชิญภัยแบบนี้ต้องค่อยๆฝึกไป แต่เอาละฉันจะพยายามชื่อว่ามันคงชินไปเองกล่าวจบหล่อนก็ลุกขึ้นเดินไปนอนอย่างที่ตามเดิมเชษฐาพูดอะไรกับพระพินอีกสองสามคำก็กลับไปนอนบ้างจอมพรานควักบุหรี่ออกมาจุดสูบยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูแล้วหันไปพยักหน้ากับแง่รายหมดยามของแกแล้วแง่รา ย, ายแกไปนอนได้ต่อไปนี้เป็นยามของฉันแง่ซรา ย, ายพระไปล้มตัวนอนลงง่ายๆอย่างที่ของตน ดึงผ้าผวยขึ้นกรุมหัวแล้วปิ่นลินกาแฟดื่มและทอดน่องช้าๆไปรอบบริเวณที่พักคู่ใหญ่ต่อมาก็มาหยุดยืนอยู่ทางด้านปลายเท้าของบริเวณที่นอนเรียงเป็นแถวหน้ากระดานของคณะนายจ้างมองสำรวจไปทีละคนครั้นแล้วตาของเขาก็มาพบกับดวงตาคู่งามของร่างที่นอนอยู่ตรงกลางพอดีตาคู่นั้นทอดนิ่งมาที่เขาอยู่ก่อนแล้วด้วยปะกายอ่านยาก ต่างฝ่ายต่างจ้องกันเงียบๆในเงาตะคุ่มสลัวรางนั้นคนอื่นๆหลับหมดครั้นแล้วฝ่ายที่นอนอยู่ก็เอื้อมมือไปหยิบไฟฉายไปจําตัวบนหัวนอนแล้วกดสวิตซ์สว่างจ้าเป็นรําพุ่งไปยังหน้าของอีกฝ่ายที่ยืนอยู่ชั่ววูบเดียวแล้วก็ดับเป็นยังไงเหมือนหน้าของรพินไพร์วันไหมหลังจากส่องดูแล้วก็เหมือนอยู่หรอกแต่ทําไมาตาถึงสะท้อนสแสงแดงวาวอย่างนั้น เป็นคำตอบแผ่วเบาหน้าตาเฉยอีกฝ่ายนึ่งเสื้อดุง้งแล้วหัวเราะหึ่ถหาตาของผมหรือของใครก็ตามมันสะท้อนตอบแสงไฟแดงจ้าออกมาได้แล้วก็ไม่ต้องลังเลแล้วยิงได้ทันทีมายืนตรวจดูความเรียบร้อยของลูกแถวงั้นหรือมายืนตรวจดูว่าใครกลัวจะนอนไม่หลับบ้างตาคุณนั้นค้อน แล้วเจ้าของดวงตาก็พลิกตัวตะแคงหันข้างให้เสียเอาหมวกปิดครอบใบหน้าไว้พรานใหญ่เดินกลับไปยังที่ของเขาซึ่งอยู่ริมสุดชิดกับที่นอนของชายยันพรากไฟจากกองใหญ่มาก่อขึ้นเป็นไฟสูงใกล้ๆอีก ก, กองหนึ่งเพื่อความอบอุ่นแล้วก็เอนกายครึ่งนั่งครึ่งนอนพิงโขดหินที่ใช้แทนผนังด้านศีรษะเงียจับเสียงต่างๆที่จะเกิดขึ้นชยยันตื่นขึ้นเพื่อรับยามต่อจากเขาก่อนเวลาเล็กน้อย แสดงว่าอาดีตในพันตรีทหารปืนใหญ่สามารถกำหนดระยะเวลานอนของตนได้อย่างแม่นยำราวกับนาฬิกาปุกอันเนื่องมาจากนิสัยที่เคยฝึกไว้อย่างเคยชินภายหลังจากดื่มกาแฟและจุดบุหรี่ขึ้นสูบตัวหนึ่งแล้วเขาก็คว้าไห่เฟิลคู่มือมาวางผ้าตักไว้พร้อมกับไฟฉายพยักหน้ากับพระพินถึงขาผมบ้างละคุณนอนได้แล้วขอบคุณมากครับกรุณาอย่าลืมที่ผมสั่งไว้ เห็นหรือได้ยินอะไรผิดปกติปลุกผมทันทีรับรองถึงไม่เตือนผมก็ปลุกคุณแน่ระพินล้มตัวลงนอนแล้วเขาก็หลับไปอย่างง่ายๆตามนิสัยพอตีสี่ชายยันก็สะกิดปลุกเชิถาเพียงแค่แตะไหล่ราชสกุลหนุ่มก็รู้สึกตัวในทันทีลุกขึ้นเตรียมตัวรับยามต่อเหตุการณ์ปกติดีหรือเชิาถามเบาๆเรียบร้อยดี ไม่มีอะไรกระโต๊ะกับตาเกเลยได้ยินแต่เสียงหมาป่าไกลๆเท่านั้นแต่พอนั่งยามเคริ้มๆตามันชักจะฝาดอยู่ร่ำไปต้องขยี้ตากันอยู่เรื่อยๆต้นไม้ต้นไร่หรือแม้กระทั่งแก่งโขดหินรอบตัวเรานี้มันดูท่าคล้ายจะเดินได้อย่างไงพิ่กนแปลกพี่ลึกป่านี่มีอะไรลวงลวงตาอยู่เสมอแล้วชายยันก็หัวเราะเอ็นตัวลงนอนปิด ป, ปากขาวอากาศในขณะนี้ มันหนาวเสียจนกระทั่งปลายจมูกและใบหูเย็นเฉียบเหมือนแช่น้ำแข็งชาไปหมดแกหลับสนิทมาโดยตลอดตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งถึงพลัดยามนี่หรืออืมแล้วเมื่อตอนรับพินเปลี่ยนยามกับแกเขาบอกอะไรแกหรือเปล่าชัยันขมวดคิ้วเอ๊ะก็ไม่เห็นบอกอะไรนี่บอกแต่เพียงว่าในระหว่างเฝ้ายามถ้าเห็นหรือได้ยินอะไรผิดปกติก็ให้ปลุกเขาเท่านั้น และในระหว่างยามของฉันมันก็ปกติเรียบร้อยดีอย่างที่บอกแล้วทำไมมีอะไรหรือเชษ่ถาหัวเราะต่ำๆอยู่ในรำคอตอนปลายยามของแงาสายติดต่อกับยามต้นของระพินไอ้มหิงสาวายร้ายตัวนั้นเข้ามาย่องอยู่รอบแคมป์ของเราฮ่าชายยันร้องออกมาลุกพวดพาดขึ้นนั่งโดยเร็วอย่างตกใจจริงเลยสหายของเขากมหัวลง จริงฉันจะโกหกแกทำไมฉันไม่รู้สึกตัวเลยแกลูกสึกเหรือหรือว่าละพินบอกอีกฝ่ายหนึ่งพูดเร็วฝือน้อยเป็นคนสกิดปลุกฉันเพราะเขาเห็นละพินกับแง่ทรายด่อมฟังเสียงอะไรอยู่มันเดินเราะ ร, รอบแคมป์นี่เลยสอเจตนาชัดว่ามีแผนที่จะเล่นงานพวกเราในขณะที่เผลอตัวนอนหลับแต่พวกเรารู้สึกตัวกันสิ ก, ก่อนเลยถอยไปเชื่อว่าคงไม่ไปไกลหรอกคงซุ่มดูเราอยู่แถวๆนี้แหละ ไอ้ทารพีผีหา่าชายยานคลางออกมาตาสว่างขึ้นในทันทีนั้นความง่วงหายเป็นปิดทิ้งทำไมแกถึงไม่ปลุกฉันบ้างพิโทโธปล่อยให้นอนอยู่ได้ก็มีแกกับเกิดสองคนเท่านั้นที่หลับอยู่ฉันจะปลุกแกแล้วแต่พรานใหญ่ห้ามไว้เขาคำนวณถูกว่ามันจะยังไม่กล้าจู่โจมเข้ามาอดีตในพรานตีจุ ป, ปากล้านโครงหัวหันไปมองดูรพินผู้นอนกอดอกหลับอยู่ข้าง แม่ให้ตายสิตะพานใหญ่ของเรานี่มันน่าเขียวให้สัก ป, ปั๊บตอนตื่นรับยามพี่แกไม่แพร้งพรายบอกให้ลกล่าวให้ฉันรู้บ้างเลยท่าทางก็เฉยเฉยไอฉันก็นึกว่าเหตุการณ์เรียบร้อยปกติมาทุกยามเก็บเงียบเชียวดีที่แกบอกขึ้นไม่งั้นฉันก็ไม่รู้อยู่นั่นเองว่าขณะที่นอนกลนครอกๆ อ, อยู่ไอมหิงสาตัวนั้นย่องก็มาใกล้ที่นอนของเราเชืาหัวเราะ ลพินคงรู้นิสัยเจ๊กตื่นไฟของแกดีกำงมังถึงได้ยังไม่อยากจะบอกอะไรให้แกรู้คืนนี้เพราะถึงยังไงแกก็ต้องรู้อยู่วันยังคำ่ำขืนให้รู้เสียก่อนดีไม่ดีแกนอนไม่หลับเสียงเปล่าๆถึงฉันเองหรือน้อยก็เหมือนกันแล้วพินไม่ได้ปลุกเรารู้สึกตัวและลุกขึ้นมาเองลงแบบนี้ก็ไม่ไดีกาศิราะเชี่้าชา ย, ยันพึมพำสีหน้าเคร่งขรึมลงเราต้องจัดการกับมันอย่างจริงจังเสียแล้ว โดยพักทางไอแหวงวิชั่วคราวก่อนโอ้โหกลางวันทำอุบายล่อให้ตามพอกลางคืนเราพักนอนก็ย่องเข้ามาคอยจ้องโอกาสขยี้ขืนถือเป็นเรื่องเล็กมุ่งแต่จะตามไอแหวงอย่างเดียวพวกเราต้องเดือดร้อนแน่ถ้ายัางจัดการกับไอเจ้าหนี้ไม่ได้เด็ดขาดพวกเราก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาเป็นภัยที่ระวังยากเสีย ด, ด้วยหัวหน้าคณะเดินทางอึ้งไปครู่ยกมือขึ้นลูปปลายคาง ฉันก็คิดอย่างแกนั่นแหละชัยยันทีแรกนึกว่าจะมุ่งตามไอ้แหว่งอย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึงเจ้าควายตัวนี้โดยตั้งเป็นข้อกําหนดไว้ว่าถ้าพบขวางทางก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่แล้วเรายังไม่ทันจะทําอะไรมันก่อนมันก็เล่นงานเราเสรแล้วซ้ํำยังวางตัวเป็นศัตรูคู่อาฆาตจ้องจะล้างเราให้ได้แบบนี้ก็ต้องเอามันให้อยู่เป็นรายๆไปเอาละแกนอนซิเถอะพรุ่งนี้ค่อยวางแผนกันใหม่ว่าจะเอาอยัางไงดี ชายยันร้มตัวลงนอนตามเดิมแช่ถาควักกล้องขึ้นมาบรรจุยาเส้นจุดสูบกลุมไว้ในอุ้งมือทั้งสองเพื่อช่วยให้ความอบอุ่นขวาปืนกับไฟฉายไปนั่งอยู่ริมกองไฟจัดการซุนฟืนเปล่าให้ลุกสว่างขึ้นแล้วเตรียมตั้งน้ําเพื่อต้มกาแฟสําหรับมื้อเช้าเป็นการฆ่าเวลาเพราะถึงอย่างไรเขาก็ทําหน้าที่รับยามเวรสุดท้ายจนถึงตะวันขึ้นอยู่แล้วท่ามกลางความเงียบสงัดของดงทึบยามใกล้รุง่ง เสียงหนึ่งแว่วมากระทบโสดประสาทของเขาอย่างถนัดทนีมันเป็นเสียงคล้ายๆสัตว์ชนิดหนึ่งกระโจนตรุยผ่านน้ำในลาห้วยเบื้องล่างไปอย่างรวดเร็วคล้ายจะตื่นตกใจอะไรสักอย่างจากนั้นก็มีเสียงไก่ป่ากระตากลั่นเอ็ดอึงรับไปกันต่อไปดังมาจากยอดพายดินมห้วยประมาณอึ่ใจเดียวทุกเสียงก็สงบราบคาบลงตามเดิมด้วยสัญชาตญาณอันเจนไพรามาบ้างพอสมควร แช่ถาฉวยไรเฟิลและไฟฉายคู่มือลุกขึ้นย่องไปนั่งซุ่มอยู่ในซอกโขดหินกำลังตอนหนึ่งภาพของบริเวณแคมป์ทั้งหมดเป็นเป้าอยู่ในสายตาของเขาโดยไม่มีส่วนใดเป็นมุมรับขณะเดียวกันก็สามารถจะมองออกไปสำรวจเห็นแนวป่าที่แวดล้อมอยู่รอบด้านยกเว้นด้านหลังซึ่งติดกับหน้าผาชันโล่งเตียนแล้วก็สะกดใจตะแคงหูพยายามสดับตับฟังเสียงทุกเสียงที่จะเกิดขึ้นอย่างใจเย็นสินาทีเต็มเต็ม ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ในดุษณีภาพแช่ฐายิ้มออกมากับตนเองอย่างขันขันเมื่อคิดว่าเขาหวาดระแวงไปเองขยับตัวจะเดินกลับออกมาอย่างที่นั่งเก่าทันทีนั้นเองหูก็สำเนียกเสียงกิ่งไม้เล็กๆที่ตกอยู่กับพื้นดินถูกเหยียบล้านเพาะเบาๆต่อมาก็เป็นเสียงกรอบแกรบของใบไม้มันดังๆหยุดหยุดอยู่ทางพงทึบซ้ายมือแล้วก็เงียบไปเป็นครู่ใหญ่จึงเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง แม้จะเบาแสนเบาเช่นไรความเงียบสงดในยามนี้ก็ทำให้จับเสียงได้แน่ชัดครั้นแล้ววินาทีอันตกอยู่ในห่วงพิสวงของเขาก็คลี่คลายผลรับออกมาอย่างกระช่างชัดเมื่อจมูกได้กลิ่นสาบสางโชยมาวูบหนึ่งตามกระแสลมอ่อนเชษถากัดติมฝีผากกลั้นลมหายใจสงบสติมือซ้ายที่ถือไฟฉายเลื่อนมาประกบกับกระโจมมือของไรเฟิลในขณะเดียวกัน มือขวาก็กดเซฟนิ้วแตะไกลพร้อมค่อยๆ ย, ยกขึ้นประทับบ่ารอจังหวะตาเบิกกว้างจ้องเขม็งออกไปในความมืดทึบเบื้องหน้าทิศทางด้านนั้นมันเป็นด้านที่เกิดนอนอยู่ริมขวาสุดของแนวการนอนเรียงหน้ากระดานทั้งหมดคเนวา่าเสียงที่ค่อยๆวางเท้ากลับๆย่องเข้ามานั้นเคลื่อนใกล้เข้า ม, ามามากที่สุดแล้วเชีฐาก็กดสวิตช์ไฟฉายพุ่งแสงปาดออกไปในบัดนั้นอย่างจังที่สุด ตาแดงเจ้าคู่หนึ่งรุกวาสะท้อนตอบแสงไฟเป็นรําออกมาเห็นชัดแม้กระทั่งเส้นหนวดและลายขาวเหลืองสลับริ้วดําบนศีรษะอันกว้างใหญ่ขนาดชามอ่างย่อมย่อมหนึ่งในสิบของวินาทีที่ดวงตาคู่นั้นถูกลำไฟฉายสะกดให้จัง ง, งังนิ้วของเชี่าก็กระดิกเขายิงตามลาแสงของไฟฉายอย่างรวดเร็วฉับพลันที่สุดทั้งทั้งที่ยังไม่ทันจะเห็นศูนย์ได้ถนัดระยะของเป้ามันห่างเพียงไม่เกิน29เท่านั้น หัวกระสุน500เกณฑ์ของจุด458แมกนัมระเบิดตูมสะเทือนรันราวกับฟ้าผ่าท่ามกลางความเงียบสงัดอนุภาพแห่งแรงระเบิดแห่งดินขับของมันผลักอากาศรอบด้านให้กระจายวูบออกไปเป่าฝุ่นและเศษใบไม้แห้งที่อยู่เบื้องหน้าสองสามวาปิวฟุ้งตลบเหมือนไข่แกงเอาไม่กวาดมาปัดมันกำปนาสะท้อนกล้องอยู่ไปมาระหว่างลูกเขาสองด้านภายหลังจากรันกระสุนออกไปแล้ว เชษฐามองไม่เห็นอะไรอีกนอกจากว่าผงไม้ด้านนั้นกระจายเป็นผงกรีแหลกยับเหมือนใครเอาอะไรปกวนและพร้อมกันทั้งห้าคนที่นอนหลับอยู่ก็ลุกพรุบขึ้นมาพร้อมกันยังตกใจดูเหมือนจะเป็นชายยานกับดารินซึ่งร้องถามออกมาพร้อมกันว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนพรานใหญ่และพีนปราดตรงไปยังตำแหน่งที่เชษฐายิงเสือใหญ่ตัวนั้นโดยเร็วพร้อมกับฉายไฟและกระชับไรเฟิรนพร้อมอยู่ในมือ ราวกับจะเห็นอยู่ก่อนแล้วล่าจิสกุลหนุม่มวิ่งเข้ามาสมทบอยู่แน่ครับไม่มีทางเลยแบบนี้เขาพูดเรียบๆหันมายิ้มกับเชษฐาแล้วการำไฟฉายเห็นรอยเลือดที่ทรักอยู่เป็นกองโตรวมทั้งที่กระจัดกระจายราวกับใครเอาสีมาระเลงไว้กับพุ่มไม้พงเสือหมอ บ, บริเวณ น, นั้นแหลกเป็นแปลงเอ๊ะคุณรู้หรือว่าผมยิงอะไรเชิดาร้องถามอย่างสงสยัย จอมพรานหัวเราะเบาๆ พ, พอผมพลิกตัวจะหยิบไฟฉายเท่านั้นแหละครับคุณชายก็ส่องก่อนแล้วกดตูมเข้าให้รวดเร็วเหลือเกินผมตื่นเพ่อได้กลิ่นสาบของมันชายยันกับดารินคงถามและล่ำลักอยู่เช่นนั้นเพราะไม่รู้เรื่องมาก่อนทั้งสองเข้าใจว่าคงเป็นมหิงสาตัวนั้นแต่ละผินฉายไฟให้ดูไปที่ขนกระจุกหนึ่งซึ่งติดอยู่กับยอดพงเตี้ยๆทั้งสองจึงพึ่งจะเข้าใจหันไปจ้องหน้าเชษฐา เสือหรือค่าพี่ใหญ่ก็ไอตัวเหลืองๆดานั่นแหละหัวเท่ากละมังย่อมย่อมมัง้งเห็นยังไม่ถนัดเลยอารามตกใจก็เลยกดตูมเข้าให้ถ้าจะลําบากไปอีกแล้วก็เห็นอยู่ว่ามีแต่รอยเลือดไม่มีตัวชา ย, ยันพูดเบาๆอย่างวิตกส่องไปตามรอยเลือดที่หยดเลี่ยไปเป็นทางเข้าไปในป่าเถาวันรอยเลือดแบบนี้อย่างเก่งก็ไปได้ไม่เกิน2อ0สเมตรครับเราตามกันเดี๋ยวนี้เลยก็ยังไหว รบพินบอกอย่างมั่นใจตามเสือลำบากในเวลากลางคืนมันจะเหมาะหรือเชษฐาแย้งเบาๆมองดูพรานใหญ่แล้วยิ้มจิตจืดผมรับรองครับถึงแม้เราจะไม่รู้ผลการยิงแน่ชัดว่าถูกตรงไหนแต่รอยเลือด ก, กับรอยดิ้นที่เห็นอยู่นี่พอจะสันนิษฐานได้มันต้องถูกชะกันมากทีเดียวป่านนี้อาจเป็นนอนตายรอเราอยู่แล้วก็ได้คุณชายยิงด้วยจุดสี่ห้าแปดกระบอกนั้นไม่ใช่หรือครับใช่ โอ้ยไม่มีเหลือแล้วผินพูดพร้อมกับหัวเราะแล้วก็กล่าวต่อมาว่าถ้าคุณชายยังไม่มั่นใจทุกคนโปรดรอผมอยู่ที่นี่แหละครับผมจะไปตามเองถ้าคุณไปผมก็ไปด้วยฉันด้วยควรชายยันพูดโดยเร็วอันเป็นเวลาเดียวกับดารินก็ก้าวเข้ามาสมทบน้อยด้วยค่ะพี่ใหญ่ถ้างั้นให้แง่ทรายกับเกิดเฝ้าแคมป์ไว้เราไปด้วยกันสี่คนหัวหน้าคณะเดินทางว่า แล้วบินหันไปสั่งเกิดกับแง่ายแล้วฉายไฟออดีตามรอยเลือดที่เห็นชัดนั้นไปอย่างระมัดระวังนำร่วงหน้าคณะ น, า, นายจ้างที่ตามอยู่เบื้องหลังกระชับไรเฟิลเตรียมพร้อมรอยไปของมันแหกพงไม้ทึบรูปเป็นทางเห็นได้ง่ายเลือดออกมากแสดงว่าบาดแผลจะกันยิ่งและลักษณะการไปอยู่ในอาการดิ้นรนกระเสือกสนล้มลุกคุก ค, คานและบ้าเลือดเพราะขนาดต้นไม้ล้มขวางหน้ามันก็ยังกัดกระจุย พรานใหญ่สะกดตามรอยเลือดนั้นไปอย่างแช่มช้าเยือกเย็นตัวเขาเองส่องดูเฉพาะรอยเลือดที่ทิ้งเลี้ยวไว้เป็นทางส่วนเชิดากับชัยยันส่องกลาดไปรอบด้านดารินคนเดียวที่ไม่มีไฟฉายติดมือเพราะสามคนมีไฟฉายอยู่แล้วหล่อนถือปืนอย่างเดียวและกวาดสายตาตามการส่องค้นหาของทุกคนข้ามเนินเตี้ยๆไปเพียงลูกเดียวแล้วลาดสู่ห้วยแห้งที่สองฝ้าอุดมไปด้วยรกรก พอตามรอยเลือดมาถึงขอบพ้วยและฉายไฟลงไปทุกคนก็คลางออกมาพร้อมๆกันและพินคเนไม่ผิดเลยในลำาห้ยแห้งนั้นร่างอันยาวเหยียดของเสือรายพาดกอตัวหนึ่งนอนตะแคงแน่นิ่งอยู่บนกองใบไม้ที่หล่นลงมาทับถมอัดเต็มจนมองไม่เห็นพื้นดินเลือดโสมไปทั้งตัวรอยที่มันกลิ้งหล่นจากขอบพ้วยลงไปเห็นเป็นทางชัด ถ้าจะวัดระยะทางจากบริเวณแคมป์อันเป็นตำแหน่งแรกที่มันถูกยิงจนกระทั่งมาถึงที่มันนอนตายอยู่ห่างเพียงห้าสิบเมตรเท่านั้นระพินสะพายปืนไว้กับไหล่เหนียวรากไม้ตายลงไปเสียงดาดินร้องบอกมาว่าระวังนะมันตายสนิทหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าแม่ถ้าไม่แน่ใจซ้ำซะก่อนดีกว่าเสือถ้าไม่ตายสนิทไม่นอนเหยียดอย่างนั้นหรอกครับ ทุกคนทยอยตายรำพว้ยตามเขาลงไปกระทั่งถึงตัวของเจ้าโครงซึ่งนอนหมดฤทธ์วายปราณอยู่มันเป็นเสือตัวเมียขนาดกำลังคล่องแคล่วลายเข้มสดชัดเจนงดงามยิ่งผลของการสำรวจรอยกระสุนพบว่าเจาะทะแยงเข้าระหว่างอกทะลุออกชายโครงซ้ายหัวกระสุน500เกรนเข้าไปตีควานปอดและซี่โครงหักไม่มีชิ้นดีนับว่าเป็นการยิงในขั้นเฉียบขาดและเข้าจุดดับอย่างฉัง พอตรวจรอยแผลแน่ชัดหมอมราชวงศ์หญิงดาดินก็จุ๊บปากเบาๆถูกก็จุดสําคัญถึงอย่างนี้มันไม่น่าจะดิ้นกระสือกกสนมาได้ไกลถึงอย่างนี้เลยความจริงมันน่าจะช็อกดิ้นอยู่กับที่นั่นเองหัวกระสุนก็ไม่ใช่เล็กถ้าไม่เข้าสมองตัดประสาทสาคัญสัตว์ประเภททรโหดมักจะไม่ร้มอยู่กับที่หรอกครับสัตว์ผิดกับคนตรงที่มีความอดทนได้เป็นพิเศษ แต่ที่แล่นมาตายห่างจากที่ถูกยิงเพียงแค่นี้ตามหลักการล่าสัตว์แล้วเขาก็ถือว่าคาที่เหมือนกันเพราะนัดเดียวโดยไม่ต้องซ้ำระยะที่ห่างออกมาต้องถือว่าเป็นริเวณดิ้นของมันระพินบอกแล้วหันไปมองดูหน้าเชษฐาขยับปีกหมวกให้อย่างยอมรับนับถือแต่ไม่เอ่ยออกมาเป็นคำพูดอย่างใดส่วนชายยานหันไปส่งมือให้สหายของเขาจับบีบขย่าโดยแรงเชษฐา ถ้าแกคิดจะเป็นพรานอาชีพเมื่อไหร่แล้วก็จอมพรานขนาดรบพินของเราก็คงหนักใจไม่ใช่น้อยทีเดียวหรือยังไงประโยคหลังเขงหาหันไปถามพรานใหญ่ยิ้มยิ้มระพินหัวเราะก้มศรีรษะให้เป็นความจริงครับมือของคุณชายเยี่ยมมากในด้านการล่าไม่เคยพลาดเลยสักครั้งถ้าเจตนาไม่ยิงโดยพร่ำเพรือ่อแต่ถ้ายิงก็หมายถึงว่าต้องได้ตัว เอ๊พูดแบบนี้ว่ากระแทกกันนี่สำคัญมากนะในพรานชมคนหนึ่งแต่กระทบอีกคนหนึ่งดารินขัดพร่องขึ้นหน้าตาเฉยทุกคนหัวเราะขออภัยครับผมไม่มีเจตนาจะกระทบใครทั้งสิน้นกล่าวสรรเสริญคุณชายจากใจจริงแท้ๆไม่เสียแดงที่เรามานอนพักกันที่ห้วยหยีทองนี่คุณชายยิงเสือได้ทั้งๆที่ไม่ต้องการยิงมันเลยซ้ำยังเป็นเสือตัวที่บางอาจเข้ามาเดินกลใกล้แคมป์ของเราเสียด้วย มันเข้ามาหาที่ตายแท้ๆขอบคุณที่ชมแต่ผมนะ่ะเห็นจะยังไม่ถึงหนึ่งในสิบของคุณหอกัะพินและสำหรับไอเสือตัวนี้ก็ขอยอมรับว่าเป็นที่ฟลุกมากกว่าพอฉายไฟพบก็กดเปรี้ยงออกไปเลยแทบจะไม่ทันดูเสียด้วยซ้ำว่าปากกระบอกปืนหันไปทางไหนโชคดีที่มันเป็นระยะใกล้แทบจะเรียกได้ว่าเผาขนก็เลยโดนเข้าอย่างจังทีแรกผมนึกว่าผิดเสียอีกเพราะไม่ได้ยินเสียงร้องของมันเลยสักนิดเดียว โชคดียอย่างเหมือนกันที่ผมยิงตรงหน้าแต่มันไม่ยักกระโจนสวนมันสวนไม่ไหวนะสิครับถูกเข้าอย่างจางกลางอกมิหนำซ้ําอย่างเป็นลูกปืนขนาดใหญ่พอตูมก็คงพลิกตีรังกาไม่เป็นท่าสังเกตจากรอยที่มันดิ้นนั่นถ้าเป็นลูกปืนขนาดเล็กก็ยังเชื่อไม่ได้เหมือนกันก่อนที่มันจะตายคุณชายก็อาจเจ็บไปบ้างในการยิงสวนหน้าระยะเผาขนเช่นนี้ หมายความว่ายังไงกันนี่มันย่องเข้ามาหมายจะเล่นงานพวกเราคนใดคนหนึ่งงั้นหรือชยันถามขึ้นตาจับอยู่ที่ซากเสือตัวนั้นอย่างสยดสยิวรับปินหัวเราะหือห้อในราคอก็ไม่แน่เหมือนกันครับอาจกําลังหิวหมายจะเล่นงานพวกเราคนใดคนหนึ่งหรืออาจโดยนิสัยเลือกเสือกสอดรู้สอดเห็นของมันตามที่ผลเคยบอกไว้ก่อนแล้วก็ได้แต่คุณชายก็ทําถูกที่สุดแล้ว ถ้าเจอเสือเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้บริเวณที่พักก็ต้องยิงเอาไว้ไม่ได้ผมยังเดาไม่ถูกเลยว่าถ้าคุณชายช้ากว่านั้นอีกพริบตาเดียวมันจะกระโจนเข้าขย่ำคอพวกเราคนใดคนหนึ่งที่หลับอยู่หรือไม่แต่สงสัยว่าจะเอามากกว่าถ้าไม่งานก็คงไม่ย่องเข้ามาใกล้ถึงเพียงนั้นว่าแต่จะจัดการกัมันยังไงดีครับหนังสวยเสียด้วยเชษฐาลูกคางคิดอึดใจเดียวก็สายหน้า ขืนห่วงหนังของมันก็เป็นภาระเปล่าๆงานจะเป็นของเรายังมีอีกมากทิ้งมันไว้นี่แหละไปกลับกันเถอะรู้แน่ว่ามันตายก็สบายใจได้แล้วห่วงแต่เพียงว่ามันจะลําบากไปเท่านั้นทั้งสี่พากันกลับมาที่ปางพักนอนชั่วคราวพอมาถึงเกิดกับแง่ า, ายผู้รอคอยอยู่ด้วยความกวนกระวายก็ปราดเข้ามาซักถามโดยเร็วเมื่อทราบข่าวต่างก็ถอนใจออกมาอย่างร้องอกปืนของนาย เที่ยงเหมือนของพรานใหญ่เสียงแง่สายพึมพำออกมาเหมือนจะพูดกับตนเองขณะนั้นมันเป็นเวลาสีนาฬิกาเศษเล็กน้อยอีกไม่นานนักก็จะสว่างทุกคนจึงไม่มีใครคิดจะนอนต่อไปต่างนั่งดื่มกาแฟคุยกันข่าเวลารอแสงตะวันเกิดกับแง่สายช่วยกันหุงหาอาหารสำหรับมื้อเช้าตื่นกันเสียแต่เช้ามืออย่างนี้เลยก็ดีเหมือนกัน กาจะสว่างก็กินอาหารมื้อแรกเสร็จจะได้ไม่เสียเวลาช ย, ยันพูดดารินขอน้ําร้อนจากหม้อที่แง่ท า, ายต้มเทราดลงบนผ้าขนหนูแล้วประครบซับตามใบหน้าและลาคอหล่อนดูเหมือนจะเป็นคนที่นอนน้อยที่สุดเชิฐาบรรจุกระสุนเพิ่มเติมเต็ ม, ตมอัตตาศึกแทนนัดที่ยิงเสือออกไปลงไปในปืนประจํามือของเขามองไปทางพรานใหญ่ด้วยความเชื่อถือศรัทธาเต็มที่ขณะที่เขาอยู่ยาเม็ดเสือตัวนั้นย่องกลิบเข้ามา เขาเข้าใจว่าคงมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้สึกตัวและเตรียมรับมือกับมันในฐานะยามระหว่างเหตุคิดไปไม่ถึงเลยว่าระพินผู้ซึ่งนอนหลับอยู่จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นทันต่อเหตุการณ์นั้นด้วยมันเท่ากับเป็นการทดสอบพิสูจน์ได้อย่างแจ่มชัดที่สุดว่าสัญชาตญาณพรานของระพินควรแกการไว้วางใจได้แน่นอนเพียงใดในอาณาจักรป่าดงพงไพรนี้ ระพินย่อมจะเป็นหลักประกรันความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่ในความคุ้มครองของเขาได้เสมอไปแล้วก็อดประหลาดใจไม่ได้ในข้อที่ว่าพรานหนุ่มผู้นี้ฝึกฝนประสาให้เฉียบวัยต่อสัมผัสของกลิ่นไออันตรายได้อย่างไรมันเป็นคุณลักษณะพิเศษที่พรานน้อยคนนักจะมีได้เช่นเขาขอโทษที่ผมไม่ได้ปลุกคุณตอนที่เสือมันย่องเข้ามาเพราะจะเข้าไปปลุกบอกก็ไม่ทันเสียแล้ว เชื่ยถาออกตัวเบาๆเกรงว่ารปินจะนึกตำหนิเขาที่ยิงเสือตัวนั้นโดยพระการทั้งๆที่รับปากกันไว้แล้วเป็นมั่นเหมาะว่าหากเกิดสิ่งผิดปกติใดๆขึ้นเขาจะต้องปลุกบอกพรานใหญ่แต่คุณก็รู้สึกตัวพอดีคงจะได้ได่กับผมกระมังเพราะพอผมลั่นไกลตู ก, ก็เห็นคุณวิ่งป่าไปอย่างที่มันโผล่ออกมาคุณชายทำถูกต้องแล้วครับสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าอย่างนี้ คืนมัวแต่มาปลุกผมอยู่เสือมันอาจกระโจนเข้ามาใส่พวกเราคนใดคนหนึ่งเสียก่อนก็ได้ที่ผมสั่งไว้นั้นหมายถึงว่าหากรู้สึกตัวเนิ่นๆแต่ไม่สามารถจะตัดสินใจอย่างไรได้ก็ควรจะปลุกผมคุณรู้สึกตัวยังไงนะก็ผมเห็นคุณนอนหลับอยู่แท้ๆหรือว่าคุณมีวิธีการที่ฝึกมายัางไทงทั้งๆที่นอนหลับอยู่ก็สามารถจะรู้และตื่นขึ้นทานเมื่อสัตว์มันย่องเข้ามาใกล้ขอสัมภาษณ์สักนิดเถอะ สงสัยมานานแล้วมียานพิเศษอะไรหรือจอมพรานหัวเราะมองดูอาการพิสวง์สงสัยของนายเจ้าด้วยความรู้สึกขันขันผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันครับแต่คงไม่ใช่ยานพิเศษที่เหนือจำธรรมชาติของมนุษย์ทั่วๆไปแน่ทีเดียวอาจมาจากความจำเจจนเคยชินเสียมากกว่าตามปกติเมื่อนอนในป่าทุกครั้งผมนอนหลับง่ายและตื่นง่ายคอยระวังตัวอยู่เสมอและมักจะตื่นอยู่บ่อย เสียงหรือกลิ่นอะไรที่แว่วมากระทบมันจะปลุกผมในทันทีแต่ต้องหมายความถึงว่าสุขภาพดีพร้อมร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ในการเข้าป่าทุกครั้งถ้าคราวใดผมรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรงพอผมจะไม่ยอมเข้าป่าเป็นอันขาดดูแต่เมื่อคราวที่ไอผีขโมยลงมาเล่นงานคนของเราตอนที่เราตั้งแคมป์กันอยู่ที่โป่งกระทิงนั่นยังไงครับคืนนั้นผมไม่สบายก่อนนอนคุณหญิงก็ฉีดยาระงับไว้ให้ ผมหลับเป็นตายเลยไม่รู้สึกตัวแม้แต่นิดเดียวแล้วเขาก็หยุดหัวรอกขันขนอีกครั้งหนึ่งเอ่ยต่อมาเป็นเรื่องชวนหัวว่าถ้าคุณชายพบกับพรานเท่าหนานไพรที่ผมเคยเล่าให้ฟังคุณชายจะยิ่งแปลกใจกว่านี้ถึงผมเองในขณะนั้นก็อดที่จะสงสัยเสียไม่ได้คือคืนหนึ่งเราไปนอนอยู่ที่กันสองคนในป่าบริเวณใกล้เคียงกับเหมืองห้วยสุดก่อนจะหลับไปด้วยการกลางด่านสัตว์ เราสัญญากันไว้ว่าให้คอยดักฟังเสียงรถยนต์ประจําเหมืองที่จะวิ่งผ่านป่ามาในราวกลางดึกเพราะต้องการจะฝากซื้อสเสบียงในหมู่บ้านรถเหมืองคันนั้นมีหน้าที่วิ่งขึ้นวิ่งล่องระหว่างตัวเหมืองกับเมืองการเป็นประจําราวๆสักตีหนึ่งเห็นจะได้ผมก็ได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งกระหึ่มไต่เนินใกล้กับด่านที่เรานอนอยู่ขึ้นมาในป่ากลางดึกอย่างนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังก้องไปหมด ผมรู้สึกตัวแต่หนานไพรนอนหลับกลนสนันวันไหวต้องขยับปลุกขึ้นมาแล้วพากันวิ่งออกไปดักรถผมถามแกว่าเสียงรถยนต์ออกดังลั่นไปทั้งป่าอย่างนั้นแกไม่ได้ยินหรือแกก็สันหน้าบอกว่าแกหลับสนิทไม่ได้ยินอะไรเลยพอดักรถฝากซื้อของเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมานอนกันที่เก่าผมนึกอยู่ในใจว่าอิตาพรานเท่าหนานไพรนี่แกเป็นพรานใหญ่อยู่มาได้ยังไงถึงนอนขี้สาอ ย, อย่างนี้ ชักจะไม่ค่อยเชื่อน้ำมนต์เสียแล้วทีนี้พอตอนตีสองเห็นจะได้ผมกําลังนอนหลับสนิททีเดียวต้องลุกพรวดพลาดขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงปืนลั่นตูมขึ้นพอลืมตาก็เห็นหนานพายหิ้วเม่นตัวหนึ่งเข้ามาแกถามผมบ้างว่าเม่นมากันคานมาเป็นฝูงผมไม่ได้ยินบ้างหรอกหรือซึ่งผมก็ไม่ได้ยินจริงๆตื่นขึ้นเพราะเสียงปืนนั่นเองหนานพายไม่ได้ยินเสียงรถยนต์แต่แกกลับได้ยินเสียงสัตว์ตัวเล็กๆ เ, เดิน ท, ทั้งทั้งที่แกนอนหลับ